วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่า368ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าภิกษุเช่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัว ภิกษุนั้นขอให้สงตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้